สิขาบทที่2เรื่องพระชัพคี639สามสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพคีแสดงธรรมแก่คนสวมรองเท้าพระบัญญัติเพิ่งทําความสําเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้สวมรองเท้าเรื่องพระชพคีจบ ศิษยาบทวิพังพิสูจน์ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้สวมรองเท้าพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เหยียบบนรองเท้าสวมรองเท้าหรือสวมรองเท้าหุ้มส้นต้องอาบัติทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. นพิกษุไม่จงใจ2อพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้สีพิกษุผู้เป็นไข้ ห้าภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องหกภิกษุวิกลจริตเจ็ดภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่สองจบ